ขอกราบสบานผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบถุงท่า ค, ครับวันนี้วันจันทร์ที่4ี่กันยายนพุทธศักราชสองพารสีสิบเก้ารายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบถุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบถุ่มป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้เช่นเคยครับทางรายการการพัฒนาประเทศประคุณประเทศบิโลกวัดบวรนริภิภานผู้มีความต่อปัญหาครับ หมายเลขสปองทางรายการคือ022413315 022413315ขณะนี้กำลังรอตุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาครับขออนุเข้อคําถามต้องไม่เป็นประเด็นเกี่ยวข้อกับทางการเมืองเลยเกี่ยวข้องบบทที่สามนะครับเพราะสถานีวิทยุที่เราจัดรายการแถงนี้เป็นสถานีวิทยุของทางราชการครับสายที่หนึ่งมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับครับผมเชิญสอบถามได้เลยครับครับครับรายการเลยข้อทักทายเลยนะครับครับคุณผมอยากจะถามเพียงแค่สองข้อครับ ถามว่าอปัญญากับปัฏิธรรมนี่ต่างกันยังไงแล้วก็ปัญญาใช่ธรรมะหรือไม่ครับครับผมข้อที่สองครับใช่ไครับผเออมีมีมีข้อเดียวนะครับครับผมเป็นเป็นสองข้อนะครขอถามว่าเหมือนกันหรือไม่แล้วก็เป็นใช่ธรรมะหรือไม่ใช่ไหมครับครับคือถามว่าปัญญากับปัฏิธรรมนี่เหมือนกันหรือไม่ครับแล้วก็ปัญญาเป็นธรรมะใช่หรือไม่ ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับคือคื อ, คอคสัจธรรมเนี่ยหมายความว่าพิสูจน์ทดสอบมาแล้วครับว่าลงตัวเป็นอย่างนั้นแต่ว่าปรัชญาเนี่ยเป็นเป็นกระบวนการทางความคิดซึ่องอย่าง ไ, ไม่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบแต่ถ้าถามนในประเด็นก็การการเป็นธรรมะเนี่ยมันก็ธรรมะทั้งนั้นเนี่ยนะธรรมะก็คือสิ่งที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะครับก็ จะเป็นกุศลก็ก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะฮะก็ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์แต่ว่ามันก็มีความเป็นธรรมะอยู่เพราะว่ากรอบของธรรมะมันมันครูหมุดทุกเรื่องเนีไงครับผมครมไม่ั้งหมดแม้แต่นิพพานมันก็ครูไว้ด้วยของวัตธรรมะครับขอบคุณครับที่คุณจะจ่ายกับสายที่สองครับสวัสดีครับตลาดธรรมะการพัฒนาคุณหลวงพ่อและขอสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการเลยครครับสวัสดีครับครับผมเชิญสอบถามได้เลยครับอยากทราบว่า ประัตตูตัวชีวีประเสริเนี่ยได้ทำบุญทำกรรมอะไรไปครับถึงได้ไปเกิดเป็นเป็นประัตตูประชีวิปเสริฐและทำไมถึงเป็นเปรตตาวเทศ เ, เ, เดียวที่ได้รับผลบุญส่วนตัวจากญาติพี่น้องที่อยู่ที่ไปให้ครับรทราบครั บ, รบขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับท่านครับคือว่าเปรตเหล่าอื่นนะเขามีกรรมเป็นอาหารคือคําว่าอาหารเนี่ยแปลว่าสิ่งที่นําผลมาให้ อบางครั้งก็เป็นอาหารที่เคี้ยวกินก็ไปทางปากบางครั้งก็อาหารที่ประสาทาผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบางครั้งก็เป็นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคบางครั้งก็เป็นเจตจำนงที่เราคิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดให้ผลทางจิตล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเพราะฉะนั้นเปรประเภทอื่นเขาก็มีกรรมเป็นอาหารมีเฉพาะเ ป, ปรต ป, ประเภทนี้ประเภทเดียวนะฮะที่ อ, อบาปรกรรมที่เป็นเหตุนะก็ เ, เกิดเป็นปรัตตุภูพชีวิเปรตก็คือความโลภความโลภนะครับความโลภความโลภที่ก่อนข้างแรงแล้วก็ทําให้ไม่ไม่ได้เอื้อฟื้อเปลือกแผลอะไรกับใครก<ช>็เลยก็ต้องอาศัยการอุทิศส่วนกุศลของญาติพี่น้องไปให้ก็เรียกปรัตตุภูพชีวีคือมีชีวิตอยู่ด้วยการให้ของให้ส่วนบุญของคนอื่น แล้วพวกนี้จะสําเร็จเป็นอาหารนะฮะจะสำเร็จเป็นอาหารให้ให้แกเปลิดเหล่านั้นขอบคุณครับ022413315ครับเรารับทุกสายทุกสอบถามปัญหาธรรมะครับธรมเข้ามานะครับที่คุจะครับมีนักษาฝากมาถามว่าทําไมเดี๋ยวนี้เหตุการณ์ต่างๆมันสยองขวัญเหลือเกินครับการข่มขืนการฆ่าคนเป็นมันลงมะเลงอะไรพวกนี้ทําไมมนุษย์ในสังคมปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่มีธรรมะกล่อมเกลาจิตใจเลยนะครับทีุณแจ้งครับ คือคืออย่างที่เคยเคยเค ย, เคยเล่าผังนฮะว่ามีพระผู้ใหญ่อาจารย์กรรมฐานใหญ่ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยเทวดาจะไม่ค่อยลงมาสร้างบารมีรเพราะว่าคุมกำเนิดกันมาก<อ>แล้วก็แต่ว่าพวกสัตว์นรกพวกไอพวกอบายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเกิดอะเป็นหัวแข็งเยก็ต้องเกิดจนได้ วันในโครงสร้างต่างๆความคิดทางสังคมโดยเฉพาะยิ่งคือสื่อเนี่ยกำลังเป็นอันตรายต่อความคิดจิตใจของสังคมมากแล้วก็ตราบใดที่เราแก้ไขปัญหาเรื่องสื่อไม่ได้เนี่ยมันก็สะสมความคิดในลักษณะที่รุนแรงครับแล้วก็ส่วนมากมันก็มั่วซุมกันครับอย่างในกรณีที่สุพรรณในที่ว่าเนี่ยนะเราจะเห็นว่าก็เด็กมันก็มั่วซุมกัน แล้วก็คืกขนองนะฮะขนองไปตามภาษาของมันก็เป็นยุคสมัยที่ไม่ต้องกลับไปที่สถาบันครอบครัวกับที่สถาบันการศึกษา สอสถาบันหลักใช่สองสถาบันหลักคือเราอย่าไปหวังอะไรกับวัดให้มากเพราะวัดเป็นพระคนก็จ้อยร้อยนิดเดียวเองใช่ครับคนนิดเดียวเองคนคนประมาณสักสี่ห้าหมื่นดังนั้นเองที่ทํางานได้นอกนั้นก็เป็นเป็นคนบวชศึกบวชศึกบวชึกอยู่ทำงานเองหรือกับกับหลวงตาที่แก่ๆคือพระนี่ร้อยรูปเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่65รูปเป็นคนแก่อยู่เป็นพระแก่อยู่15รูปแล้วก็เป็นพระทํางานได้อยู่20รูป อนนั้นเองไม่ใช่มากอะไรนะคือคือเราจะไปคาดหวังว่าเออวัดจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องไปช่วยประชาชนมันไม่มีคนแต่ว่าวัดก็ใช้สื่ออย่างเงี้ยใช้สื่อต่างๆในรูปแบบต่างๆแต่ว่าศาสนามันก็เพียงแต่ว่าบอกกล่าวชี้ทางให้เราไปสั่งการอะไรก็ไม่ได้ทีนี้เด็กเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสจะพบทางกับกับศาสนา ความรุนแรงต่างๆจึงเกิดขึ้นคืออัจฉรกรรมแนวเนี้ยมันจะมีลักษณะอย่างนั้นนะ <c oughs> คือถ้าเกิดปัญหาทางสังคมเนะียปัญหาอัจฉรกรรมจะเกิดตามโดย <c oughs> โดยสูตรมันเลย <c oughs> นะคือคืออัจฉรกรรมจะตามมาทั้งหมดสินรมตกต่ำก็จะเกิดปัญหาอัจฉรกรรมเกิดเศรษฐกิจก็เกิดอัจฉรกรรมเกิดสังคมก็เกิดอัจฉรกรรมคร <c oughs> นะะเกิดไอ ความหรูหราฟูภาภ้งฟ้าฟุ่งเฟือยต่างๆก็เกิดอาชญากรรมเกิดอบายามุกก็เกิดอาชญากรรม ค, ร ค, ค, คือคือมันจะไปออกท่านั้นหมดเลยดังนั้นเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่จะต้องมองสังคมให้เป็นระบบเราอย่าเราอย่ามองแบบแบบมา้าลำปางนะคื อ, ค ม, อมองมองไปในด้านเดียวตลอดตรงตลอดเ <c oughs> ลย ไ, ไม่ได้ครับขอบคุณครับที่เข้าใจครับสายที่สามรออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับ ฮัลโหลครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะทราบเรื่องอิทธิบาทสี่นะฮะครับแต่บอกว่าถ้าสําเร็จอิทธิบาทสีแล้วนะครับเอ่อจะตั้งใจมีอายุยืนวินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะโอครับผมและคนนี้จกทราบว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเกี่ยวอะไรกับการมีอายุยืนนะครับอิทธิบาทสี่นะฮะโครับผมแล้วฟังจากพิชยุนะครับครับผมขอบคุณมากครับมันเป็นธรรมะที่มีพลังนะมันจะเกิดพลังขึ้นภายในจิตเนี่ย จะทำให้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีแต่ว่าส่วนใหญ่มันมองไปที่สุขภาพกายแต่ต้องเจริญต่อเนื่องนะฮะต้องเจริญต่อเนื่องก็อิทธิบาทที่หมายถึงตรงเนี้คือฉันทะความพอใจวิริยะความเพียรจิตตาจิตใจที่จดจ่อยอยู่ในสิ่งนั้นวิมังสาคือใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้นแต่ว่าที่พระุทธเจ้าทรงแสดงเป็นอิทธิบาทที่เป็นผลนะเป็นผลอ่าเป็นผลหมายความว่ามีอยู่แล้วครับ แล้วก็ใช้ไปเพื่อให้อายุยืนแต่ไม่ใช่อยู่นานนะอายุขมว่าอายุในที่นั้นคืออายุไขอายุไข ส, สมัยพระพุทธเจ้าคือ100คร้อยปีหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าจ ะ, จะเจริญนิติบาได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอหลังสังขารร่างกายสุดลงก็เข้าสมาบาัตเจริญนิติบาไปแล้วก็ต่อไปได้เลยแต่ก็20ปีิปีนะอายุไขอายุไขกับ กับอายุนี่คือคืออายุไขของมนุษย์ในยุคนั้นๆอย่างในสมัยปัจจุบันก็กลับหนึ่งก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีอ่าผ่านครับผมขอบคุณครับจะกผู้จัดกาครับสายที่สี่ครับสวัสดีครับครับขอกลับเรียนถามเลยนะครับครบเชิญเลยครับครับเออวุฒิย้อนไปคํำถามที่แบบที่เอ่อที่เปล่าเนี่ยนะฮะจะได้รับอาหารก็เมื่อมีคนอ่า โมเดนาสาวทูไปให้ถามว่าในศาสนาคุณล่ะพวกเปเนี่ยก็มีนะครับแล้วเขาได้นับยังไงหนี่ยในในในลักษณะนี้นะครับข้อที่หนะครับผมข้อที่สองเนี่ยย้อนไปเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหาจิยธรรมเสื่อมครับคือผมว่ามันจนถึงยึดแห่งความเสื่อมได้ไหมครับเพราะว่ามันไหลบ่าแห่งวัตถุนิยมมาแล้วก็ไม่มีใครจะแก้ได้อย่างนี้ครับเข้า้จแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับครับภาสนาอื่นมีไหมครับเออ เไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับศาสนาน ะ, ะเอ ก, กศาสนาคือเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนศาสนาในโลกนี้นะเพราะงั้นการทำบุญุทธิกุศลของญาติพี่น้องในรูปแบบต่างๆนะฮะถ้ามันเข้าเงื่อนไขมันก็เขาก็ได้รับอนุโมทนาได้กกน แล้วก็เจริงๆแล้วเนี่ยพอพอเป็นเปรตมันก็เป็นเพื่อร่วมโลกกับคนทุกศาสนาไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคือเราอย่าลืมว่าไอ้ศาสนานี่มีเฉพาะในโลกมนุษย์แต่นั่นเองอ่ะพอมาถึงยุคอื่นมันก็เป็นไปตามสถานะของเขาอืมเขก็อยู่ในธรรมะธรรมะระดับต่างๆไงเช่นว่าเป็นเทวดาก็อยู่ด้วยกุศลแธรรมเป็นพรหมก็อยู่โดยฌานอะไรต่างๆนะครับมันก็เป็นสากลแหละที่มนุษย์เดี๋ยมึงยุ่งๆอยู่เนี่ย มนุษย์ที่จริงปฏิบัติจิตแมันสูงขึ้นไปมันก็เป็นสากลได้ครับทีนี้ไอาการปัญหาศีลธรรมที่ว่าเนี่ยอโยมพูดอย่างนั้นก็ถูกเพราะยุคของเราเป็นเป็นครียกาหลียุคนะ่ยกาลียุคคือความคิดความอ่านของคนเราจะเห็นว่ามันมีความคิดที่แรงครับแล้วก็พัฒนาอาวุธมหาประลัยอย่างเงี้ยอย่างกำมังที่ชักกะเยอะกันอยู่ที่เกาหลีเหนือกับอิรานเนี่ยโอคื อ, ค, อ, ค, อคือเราจะเห็นว่าความความคิดแกแปลกอะ่ะ ว่าลงทุนมหาศาลนะแย่แรกที่จะนำไปทำเป็นปรามนูนี่ลงทุนเยอะมากเกินแล้วมันการทําลายล้างรุนแรงแล้วก็ก่อนที่จะเป็นปรามนูมันก็ทําลายทรัพยากรธรรมชาติเสียมหาศาลเลยครับแต่คนเหล่านี้ก็ชอบคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผู้นำเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็เกิดความวิปริตขึ้นมาในด้านต่างๆครับเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ปัญหาว่าเราเราจะต้องชัดเจนถึงเหตุแห่งความเสื่อมประเหตุแห่งความเจริญมันไม่ไม่ใช่มุ่งตอบสนองวความอยากแล้วว่าแข่งขันกันนะแม้แต่รายการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องกระตุ้นให้จิตสานึกไม่ใช่ว่าเราพูดเศรษฐกิจพอเพียงตัวเองนั่งรถหรูอย่างนี้มันเกินไปแหลนะอ่าคือคือคื อ, คอต้องต้อ ง, ต, องต้องเป็นต้นต้นแบบต้นแบบเขาด้วยนะ คือคือไม่ใช่พูดกันโกโก้นั่งอภิปรายโกโก้แล้วก็ตัวเองไม่เห็นแสดงว่าพอเพียงอะไร ค, ครับผมอ่ม <พอ S 2> ันคืต้องต้องต้องต้องพิสูจน์ตัวเองว่าปฏิบัติพอเพียงคือปฏิบัติได้อย่างเงี้อยอย่างอย่างที่ผมอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่ได้ครับอืมเออแล้วคนคนก็จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างกันบ้างครับนะฝ่ายครับขอบคุณครับทุกท่านช่อบสายที่ห้าครับสวัสดีครับ อาจารย์นักปิการท่านท่านจุคุณอาจารย์นะคะจะเรียนสายาถามข้อคอสงสัยนะคะว่าไม่ไม่ไม่ไมแน่ใจว่าจะถูกหรือผิดนะคะเออคําว่าสามัญสํานึกนะคะแล้วก็าสัมมาสํานึกเนี่ยมีไหมคะสัมมาสํานึกกับสา ม, ม, าสามัญสัมเนธใช้ในโอกาสไหนนะคะคแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ ตอนไหนในในคำไหนควรจะใช้ตอนไหนนะคะขอบคุณมากนะครับเอสัมมาสัมเนึกับสามัญสํานึกครับแล้วฟังคำวิทยุนะครับขอบคุณมากครับคือหมายความว่าสามัญสํานึกเนี่ยสามัญก็คือปกติธรรมดานะสามัญปกติธรรมดามายความมาคนโดยสภาพปกติเนี่ยยังสีเนี่ยที่จริงมันเป็นสามัญสํานึกของคน ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ อ, อะไรหรอกคือคนมันจะมีสามาัญสำนึกของมันเพราะศีลท่านถึงแปลว่าปกติคือคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อฆ่ากันเพื่อรักทรัพยเพื่อรักทรัพเพื่อโล่เลงเกินทางประเวณีเพื่อโกหกเพื่อตกเป็นท่าสิ่งเสพติดแต่ทีนี้มนุษย์มันขาดสามัญสำนึกแบบมนุษย์แล้วก็ตกเป็นท่ากันสิ่งเสพติดครับ สัมมาสัมเนึกม่มีสัมมาสที่จริงไม่มีแต่ว่ามีมสัมมาสังกัปปะนะั่นแความดำริในทางที่ชอบหมายความว่ามีพัฒนาการทางปัญญาสูงขึ้นเหนือสามัญสัมเนกขึ้นไปนะฮะ เกิดไปไมีเหตุมีผ ล, ลมองกระบวนการการทำการพูดการคิดเป็นระบบเป็นกระบวนการแล้วเกิดความคิดชอบเพระตรงนี้มันเป็นปัญญาและนำไปสู่การทำชอบการพูดชอบนะฮะพอมนุษย์กังคิดพอพอคิดชอบแล้วก็การการทาชอบกันการพูดชอบที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงว่าคนที่มองเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเพราะว่ามือสัมมาสังกปะคือความดําริชอบอย่างที่โ ย, ย, ยมถามเป็นเป็นสัมมาสัมเนธน่กกะนะอ <Later>. ๋อสัมมาสังัปะที่จริงเขาไม่เรียกา ส, ามมาสัมมัน<อ>สัมมาสัมเนธเขาเรียกสัมมาสังกปะหรือว่ากุศลวิโกครับหรือกุศลวิโกครับขอบคุณครับทุกผู้จัดการครับสายที่หกมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟนรายการครับ มผมอยากจะถามเรื่องนี้นะครั บ, ค, รบคำว่าอันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอันที่อบรมสมาธิหรือภาวนาเนี่ยนะครับบอกว่ารู้ได้เฉพาะตนบอกคนอื่นไม่ได้ข้ั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมรถจึงบอกคนอื่นได้แล้วครับ ปัจจุบันนี้ทไมถึงว่าบอกคนอื่นมาในไม่รู้ไม่ไม่รู้ลยเะตนจะบอกคนอื่นหรือเปล่าครับผมอยากจะทราว่าให้เพจทุกท่านอธิบายลองดูนะครับคือหมายความมาตัวผลนะโยมตัวผลนะวผลน่ะผลที่เราสัมผัสเราบอกใครไม่ได้ กรเปรี้ยวหวานมันเค็มนิยมบอกได้เปล่ามันอธิบายไม่ได้ครับมันเป็นปัจจตังวินิทุบมโยชีวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเองแต่ทีนี้การเอ่อการที่ไม่ไม่อวดอุตริมนุษยธรรมที่ตัวเองบรรลุนะมันเป็นสภาพจิตมันยันกันเองหมายความว่าการอวดนั่นคือโลภะทีนี้คนที่หมดกิเลสเนี่ยท่านไม่มีโลภะโดยธรรมชาติของท่านคือไม่อวดทีนี้ใครอวดก็แสดงว่าเธอโกหก เพราะจริงๆจะภาพจิตนี้ไม่ได้เกิดร่วงกันระหว่างความอวดกับความหมดกิเลสเนี่ยอวดมันเกิดจากกิเลสใช่ไหมทีนี้คนที่หมดกิเลสท่านจะไม่อวดโดยธรรมชาติของท่านเองถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็อวดถ้าไม่ใช่แล้วถ้าใครเผลอบวอวดขึ้นไปแสดงว่าเธอไม่มีธรรมะตรงนี้แล้วก็เป็นการหลอกลวงชาวบ้านในภาพของนักบวชในศาสนาหรือว่าภาพของศาสนิกในศาสนาท่านจีบปรับัติ กับอบั้ครับขอบับจับสายที่เจ็ดครับสวัสดีครับครับแกการนะครับแล้วก็ขวบคุนะครับมจะขอถามนิดนึงว่าโสดาตันนี้ท่านจะต้องละสักยะสกายทุกข์ได้ครับแล้วก็ละได้แล้วโยโกธอยู่ไหมนะครับแล้อีกข้อนึงก็คือว่า ถ้าพระสงฆ์ยังเนยังโกรธอยู่แล้วมีมีพระอริยะทุกคนระดับไหนที่จะไม่มีความโกรธแล้วนะครั บ, รบก็ขอกราบนลมัทสการและขอพระคุณมากนะครับครับขอพคุณมากครับพระโสดาบันคือพระโสดาบันเนี่ยตาละศักยาตทิฏฐิคือความเป็นตัวเป็นตนนะเป็นเอ่อตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรปมีในตนก็สรุปว่าแยกขันห้าไปเป็นยี่สิบประเภทอนะ่ะตรมีรายละเอียดเยอะแต่สรุปว่า ถามว่าโกรธโรคโกรธหลงท่านยังมีไหมก็ยังมีแต่เขาไม่เรียกว่าโรกโกรธหลงแต่เขาเรียกว่าปฏิฆ ะ, ะรู้สึกไม่พอใจรบบู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึอดอัดอะไรแต่อะไรนี่มีนะฮะเดี<อ>๋ยวนี้คนที่ละได้เดือดขาดจริงๆคือตั้งแต่พระนาคามีขึ้นวัคนคนที่ละได้โทสะได้ขาดกับ อการมาราคาได้ขาดเนี่ยคือพระอนาคามีกับพระอราหันตานั้นคนอื่นละไม่ได้คนนั้นละขาดจริงๆนะฮะละขาดจริงๆแล้วก็จะไม่กําเริบขึ้นมาอีกพระโสดาบันท่านก็ละได้เท่าที่ละได้แต่สิ่งที่ละได้ไ ป, ไปแล้วก็จะไม่กําเริบเหมือนกันครับนะเพราะงั้นจะไม่โกรธจนถึงกับทําบาปอนะทําบาปที่เป็นเหตุแห่งอบายครับนะเจนว่าโกรธคนจนถึงกระฆานเนี่ยไม่มี เราะเห็นว่าคนคนโกรธจนถึงค่านี่มั น, ม, นมันกิเลสเยอะนะฮะ<ช>จริง<ม>แต่ว่าคนคนสวยนี้บางทีก็ไม่ต้องมากก็ได้มโง่งมากแต่งดีมันก็ค่าได้แล้วคร <laughs> ับผมครับ <c oughs> จเจ้เกิดใจครับสายที่แปดครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับครับค <c oughs> ุปสุขตาัญครับเจ้าตืครับ <c oughs> สอถานที่ไหนครับลูกกติบ <c oughs> ดานี่ป็นกติบดานับเรื่องฉันจตุมาลาชิการนี่ อาเช่นมาจตุรัสกานีมัน50ปีเท่ากับ1วันนี้ลูกกะระเพวดาในกระคนกันนี้มันอายุ1วันนี้อของอของมนุษย์ตัอต่างกันอย่างไรครับอ๋อครับ <c oughs> จะรับฟังทางวิทยุนะครับอ๋อไม่ไม่ได้ครับโทรศัพท์ฟรอ๋อจะรับฟังทางโทรศัพท์นะครั บ, บครับครอ่คือคือคือลูกกเทวดานี่มันอยู่ในเครือของ ขจารูมาราดอย่างที่ว่าเนี่ยฮะแต่ว่ามันเป็นเทวดาระดับต่าก็เป็นเทวดาระดับต่ํำจะต่ำต่ำลงมาใช่ไหมต่ำลงมาเกณฑ์อายุเนี่ยเขาพูดระดับระดับที่ที่เป็นจาตูมาราชจริงๆครับจารูมาราชจริงๆหมายความว่าโลกมนุษย์ผ่านไปห้าสิบปีเนี่ยเขาก็เพิ่มผ่านไปวันหนึ่งก็คือหนึ่งโลกมนุษย์ห้าสิบปีนะครับเขาจะผ่านไปหนึ่งวันครับผมก็ ลูกกเทวดายุคอายุเท่ากันมั้ยใช่ไหไม่ไม่เขาเขาไม่ไม่เคยเจอรายละเอียดนะฮะเพราะว่าลูกกเทพวดายุติง่ายมากแลก็แสดงอายุเขาเขาไม่เคยยืนเท่าไหร่นะลูกเทพวดายุได้ยืนนะครับผมแต่คงยืนกว่ามนุษย์แหละครับผมยังไม่เจอรายละเอียดตอนน้เราว่าเป็นเจ้ตําเป็นเจ้าทครับอาจารย์คุณอาจารย์บอกว่ายังไม่พบรายละเอียดนะครับอ๋อครับก็ถามก็สองครับผมข้อสองเลยนะครับว่าไงครับที่ผมเด็กอายุสองปีนี่ อาอานักเมื่อํานวจิตใจจะไปทางไหนครับเพราะว่าเขายังไม่พะว่าจิตของยังยังไม่ครบบุญขอขอขออ้างเลยคัเด็กอายุสปีทาไมนะครับพอเวลาตอนนี้กุณนักเมื่นไปทางไหนครับพอจคนยังไม่บบุตายครับ สภาพจิตอย่างนี้นะฮะไม่ต้องเด็กเราฮะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เกิดบนสวรรค์ได้เราไม่รู้สภาพจิตเขาไม่รู้สภาพจิตใช <จะ S 1> ่ไหมจากหมาเป็นเทวดาได้นะฮะจากนกเป็นเทวดาได้จากข้างคาเป็นเทวดาได้จากกบเป็นเทวดาได้ครับมันก็เราก็ไม่รู้ว่าเด็กสองปีมันก็ดีกว่าพวกนั้นนั่งเยอะแต่เราไม่รู้สภาพจิตเขาแล้วนะฮะเป็นเป็นเป็นเรื่องเจ้าฟอกคน คนจะต้องมีตาทิพตึงจะรู้โอ้ทิพตาทิพก็ผมขอบคุณครับทุกคนแจกงข้อสาที่เก้าครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับตาขอขอขอบียนท่านเจ้คุณคือคือคุมกับสอบถามคําว่ามานะในในความหมายพองพุทธศาสนาเนี่ยนะพรอ่านอ่านเจอคือความความหมายมาณะทางโลกเนี่ยเขาเข้าใจนะฮะมาถึงเรื่องขนขวายบินรนอยพยายามแต่มรณะทางทางเพื่องศาสนาเนี่ยผมอ่านสือเจอเขาก็ มีความหมายว่าสามอย่างว่าถือตัวถือตัวว่าเหนือว่าเขาเสมอว่าเขาได้ว่าเขาครับแต่ว่าอวามหมายว่าเสมอตัวรู้ว่าเสมอเขาเหนือเขาเนี่ยพอเข้าใจแต่ว่าความหมายคําว่าด้อยว่าเขาเนี่ยผมผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติถ้าเราอ่อนน้อมทำตนตามภาษาไทยไทยแล้วเนี่ยมันมันจะกลายเป็นคําหลักคําข้อนี้ไหมฮะไอไอคําว่านี่คำแปลความหมายนะฮะอันนี้คำถามเลยฮะขอขอยึกคำถามนะครับโคตยากนะฮะครับ ที่คําผู้หญิงงามเมืองเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าอ่านหนังประวัติดูพุทธศาสาก็จะเห็นว่าเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีมีเะะกียรตินะฮะถึงขนาดว่าชื่ออะไรจําไม่ได้ที่ถวายที่พุทธเจ้ารสร้างวัดนะับแต่ว่ามันพัฒนาทำมาอย่งไงมาปัจจุบันเนี่็เลยกลายมันมองว่าผู้หญิงที่ไม่ดีที่เป็นผู้หญิงโสเภณีเป็นหญิงหาเซีนอะไรเนี่ยขอความรูจ้จากท่านอาจารย์ด้วยครับครับผมขอบพระคุณมากครับอวมานะครั บ, ม า, บมานะ<ม>าาในความหมายเนี่ยเป็นกิเลสระดับ ละเอียดนะครับเาเรียกสังโยชน์ครับมันก็ถือตัวว่าเลิกกว่าเขาสมมุติเราเลิศกว่าเขาเนี่ยอาจจะไปถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขาเสมอเขาหรือเร็วกว่าเขาแต่ว่าท่านท่านไม่ได้จิตใจประเด็นนั้นนะประเด็นว่าเราเราด้อยกว่าเราด้อยกว่าเขาแล้วก็ไปมีความรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเขาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการดูหมินตัวเองซ้ําเติมตัวเอง นะครัคยคคนวรนนาสูตร<อ>หรืออธิสูตรในประเทศอินเดียเนี่ยถือตัวอย่างเงี้ยสังคมเขาบอกว่าเธอเป็นคนวรรณาต่ำแล้วก็ยอมรับจํานวนโตภาวะตรงนั้นจนเป็นพันๆปีแล้วก็ยังไม่พัฒนาเลยโหครับผมเนี่นะมันจะทําให้คนดูหมิ่นตัวเองสร้าเติมตัวเองอแล้วไม่ยอมขยับโอ้ยเราจนเราจนเราไม่ต้องเรียนหรอกไม่ต้องเรียนมากเลยแต่เนี่ยฮะ<อ>ขนุนท้ า, า, ทาก็อยู่อย่างเงี้ย ก็จะ <king> เราไม่มันไม่ใช่คําว่าอ่อนน้อมตนไม่ไม่ไม่ไม่ใช่อ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนน้อมไม่ใช่อ่อนน้อมถ้าถ้าอ่อนน้อมก็เรียกคารวะหรือสัมมาคารวะสัมมาคารวะนะิาา ว, ะวัตตะนิวาตะครับคารวะนิวาตะในในโมคุลสูตรคารวะโจริวะโตจะนะับข้อที่สองหญิงงามเมืองเขาชุกยแจกหญิงงามเมืองเป็นตําแหน่งที่คัดเลือก เอาหญิงที่สวยที่สุดเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายนํามาไว้ในตําแหน่งนักฆราโสเพนีแปลว่าหญิงที่ประดับเมืองให้สวยงามหญิงที่ประดับเมืองให้สวยงามก็ที่ที่ที่ที่ที่เขาพูดเนี่ยก็คือนางอัมปปาลีนะฮะนางอัมปปาลีก็สร้างสร้างไหวสวนกับพระพุทธเจ้าครับก็เป็นตําแหน่งนะฮะแต่ว่าถ้าหญิงที่เราเรียกบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าแพทย์สยา ครับคือหญิงเคือหญิ ง, อองแพทย์สยาทีนี้คําในคำคาแพทย์สยาที่เราใช้ภาษาไทยเนี่ยมันหยาบมันแรงครับทุกท่านนะมันแดงที่ที่ที่จริงก็คือพวกหางกินในทางเพศครับก็ไม่ได้หยาบหรอกความความหมายเดิมเดีเด๋ยวพอมาใช้ภาษาไทยมันเกิดหยาบหยาบเลยเขาก็ไม่ใช้ แล้วก็เรียกกันมันโก้ไปเลยก็เร <g år> <ๆ S 2> <g år> ียกโซเปนีเฉยๆนะฮะโซเปนีเขาไม่เรียกนัครสโเปนีออืๆๆแต่ว่าโบราณเรียกนครโซเปนีบโบราณเรียกนครสซเปนีเหมือนกันครับ ก, บก็ก็พยายามปลอบตัวเองนะพยายามปลอบตัวเองก็เปลีนตัวเองเป็นวิธีการอย่างหนึ่งทางสังคมนะฮะครับผมขอบคุณครับทุกคนจากสายที่สิบครับสวัสดีข้าพเจ้าทักกันครับครับขอรอบคุนฐานพระบุญจางนะครับเอ่อ เมื่อกี้ผมย้อนไปคําถามเกี่ยวกับท่านผู้ที่ามเกี่ยวกับพระอรหันต์หรือรูปจ้เจ้านั่นนะครับเ อ, อในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเ้าก็จะถามว่าจะไม่สิ้นพระอรหันต์แต่คนสมัยนี้เนี่ยนะครับคือเพราะว่าท่านไม่เผยตัวคนถ้าถ า, ถามท่า น, านา ก, กุ้แจก็บอกว่าถ้าอยากทัวรหันก็ต้องปฏิบัติเอาเพราะเาทปฏิบัติได้แต่ท่านก็ไม่บอกเราก็เลยไม่รู้ ก็วันนี้คนที่เกี่ยวกับเหตยจะรู้หมดเขาเพอสนหาแล้วก็อยากจะรู้เป็นแบบเป็นอย่างเนี่ยก็จะไปหาที่ไหนเขาก็บอกว่าคุณก็ต้องไปอ่านคัมภีร์หรืออชาดกไปอย่างนั้นครับครคือจะหาตัวจริงจริงมาแล้วขอขอให้มองในในแง่ที่ข้างข้างนอกเข้าไปข้างในนะฮะคหรือท่านตอบมาครั้งแล้วครั้งเล่าก็คือว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้คนทุกวันนี้จะเข้าวัดก็ลําบาก จะเอาตรงไหนนิชัยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับได้ครับแล้วฟังจากวิชยุทนะครับครับครับขอบคุณครับถึงมีตัวอย่างเราก็ทําตามไม่ได้ที่คือเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องกฎแหละเป็นกฎนะครับเป็นกฎซึ่งจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยกรรมครับหมายความว่าคนจะเป็นพระหันจะต้องละกิเลสได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติ ครับแต่กันะมันจึงจะได้ตรงนี้เหมือนกับคนจะจบปริญญามันก็เป็นกฎกําหนดไว้เท่าไหร่หน่วยกิจคุณก็ต้องทําให้ได้เท่านั้นใช่ครับเห็นไหมมันเป็นสูตรมันไม่ใช่ว่าพูดซ้ำซากหรอกมันเป็นสูตรครับเราต้องยอมรับสูตรสมมติว่ามีพระอรหันต์ให้อยู่คุณเชื่อหรือเปล่าก็คุณก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าก็คุยถ้าก็กินท่าขับถ่ายถ้าก็อาบน้ำ แต่ก็นุองผมจีบวนเหมือนคนนี่นะฮะก็ดูไม่ได้หรอกเพราะท่านบอกบันทีคุณอาจจะด่าหาอวดอุตริเอาอีกเปล่อีกเพราะงั้นการการพูดการบอกอะไรเนี่ยให้ลองสังเกตเวลาเราพูดว่าคนนั้นดีเนี่ยจะมีคนหนึ่งเชื่อจะมีคนหนึ่งสงสัยจะมีคนหนึ่งคัดค้านจะมีคนหนึ่งเฉยเฉยเห็นไหมฮะคนแบ่งเป็นสีประเภททันทีเลยแต่ถ้าไม่ได้เสนออะไรเนี่ยคนอาจจะอยู่เฉยเฉย เดี๋วในตอนนี้ยเราจะเห็นว่ามีคนโจมตีท่านนายกไม่ดีอย่างนั้นอย่างงั้นแต่ว่ามีคนที่เขาเชื่อว่าท่านดีครับก็มีเยอะเกิดขึ้นก็กลายเป็นสองฝ่ายแทะเลาะกันใครับเพราะงั้นมันมันมันเรื่องเหล่านี้คล้ายๆจัดดีนะแต่ในจิงมันไม่ดีหรอกมันก็กลายเป็นเป็นการแตกแยกแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีไอ้พวกตีนโรตีนสารใช้ท่านเป็นเครื่องมือหากินไปอ้างมาหลวงพ่อเนี่ยทําบุญกับหลวงพ่อได้บุญอย่างนั้นอย่างนั้นทําบุญกับพระอาหารอย่างงั้นแล้ว ท่านก็ถูกอ้างไว้เป็นเครื่องมือทากินยิงแย่เข้าไปกแยกเข้าไปอีกเลยฮะโอ้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโยมนะครับคือต้องคิดหลายต้องคิดหลายด้านครับผมขอบคุณครับที่เขียนจกัพสายที่สิบอ็ดครับสวัสดีครับแฟนรอยกรครับสวัสดีครับสโลว์ด้วยครับ อ๋อเด็กก็ครับอธันนวกรรมที่เด็กเลยนะเขาไม่ยังไม่ได้กินเขาคนคำตอบด้วยครับอ๋ออาจารย์ลองฟังทางโทรศัพท์นะครับครับครับผมที่คุณอาจารย์ครับเรื่องเด็กสองวเมื่อทีครับผมอ๋อนั้นจะถึงว่าไงครับก็ณีสายเขตัดไปก่อยก็อยากทรับกันตัวอ๋อก็พูดว่าตายตายใช่มครับผมคือสภาพจิตในเราไม่รู้เขาครับนะคือว่าคนเนี่ยก่อนจะตายในถ้าจิตเขาผ่องใสเขาก็บังเกิดดีแม้แต่สุนัขก็เกิดเป็นเทวดาได้นะแม้แต่นกก็เกิดเป็นทุกข์ทั้งปีทั้ปีนี่เขามี สสี่โทโท ร, โลราลภมรมันก็มันก็น้อ ย, เ, ยดเด็กเด็กขนาดเนี้ยโทร โ, โลภะโทรสามันน้อยแล้วก็ บ, บารมีเขาเราก็ไม่รู้หรอฮะภูมิหลังเขาเนี้แต่สรุ ป, ปรคุณไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าในแง่ของสังสารวัฏเนี่ยแม้แต่ ก, กบก็เกิดเป็นเทวดาได้ข้าวเกิดเป็นเทวดาได้พอพอดีไหมครับ เขไม่ไม่ได้ช่วยช่วยตอบนะครับอ๋อครับท่านที่คุณอาจารย์บอกว่าคุณไม่ต้องห่วหงหรอกนะครับผมเพราะว่าทางเด็กอายุสองขวบเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าบุญกรรมกรมต่างๆก็เดาไปนะครับใช่ไหมครับผม ค, คือคือความช่วยในปัจจุบันเขาไม่ ม, มีความช่วในปัจจุบันไม่มีแต่ความดีในดีตเนี่ยเราก็ไม่รู้ความดีในดีตไม่รู้ะนะครับครับผม ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเขาโดยพยากรณ์เขาไม่ได้แล้วครับผมพอพอพอเข้าใจคไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมพอดีแฟนรายการบางท่านนะครับโทรมาไกลมากครับต่างจังหวัดนะครับบางท่านมาจากสงขลาอะไรบ้างนะครับแล้วทําให้สายเนี่ยก็ไม่สามารถที่วิ่งไปฟังวิทยุทันนะครับต้องรับฟังทางโทรศัพท์นะก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับสายที่สิบสองครับสวัสดีครับแฟนรายการครับอ อาจครับครับรกวนหลีวิทยุหน่อยนะครับครับครอบเบานะครับครับขอบพระคุณครับผมอยากทราบว่าเจ้าที่เนี่ยใช่จะใช่เทวดาหรือเปล่ารู้ท่านเป็นอยู่ระดับไหนเดี๋ยวอ๋อทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากครับเจ้าที่เจ้าที่เป็นภูมิเทวดาเป็นภูมิเทวดาเทวดาไปจําภาคพื้นนะฮะไปจําภาคพื้น ซึ่งอาจจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งตามสระก็ได้ตามเอเชิงเขาภูเขาจอมปลวกอะไรแต่ลดก็แล้วแต่ครับพวกนี้เขาเรียกเจ้าที่ตรงนั้นนะฮะพวกเจ้าที่แต่นั้นเป็นภูมิเทวดาฮะเป็นเทวดาพวกหนึ่งเป็นภูมิเทวดาอยู่ในเครือของจาตูมาราชทัมืนกันอ๋ออยู่ในเครือครับนะทุกคนใจครับแล้วก็ต้องทําบุญระดับไหนหรือว่าทําอะไรบ้างนะครับถึงได้คือบังเกิดเป็นเทวดาระดับนี้ครับทุกคนนะครับเออที่จริงก็ ก็รักษาสีหห้าแล้วถ้าดับด้วยจิตที่เป็นกุศลก็เกิดได้ไงต่อตอนดับนี่แหละบริวารของท่านอาณาที่บินฑิกาเศรษฐีท่านรักษาอุโบสถตศีกึงึ่งครึ่งครึ่งครึ่งเดียวครึ่งวันครึ่งวันรักษาตอนเย็นรักษาตอนเย็นแล้วก็ตกดึกก็ตายก็บังเกิดเป็นลุคเทวดาก็สูงกว่าภูมิเทวดาอ่าก็มันมันอยู่ที่ก่อนจะดับนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าจิตไม่เศร้าหมองแล้วหวังได้ว่าจะบังเกิดในสุขติแต่ทีนี้พอถามสุขติไหนมันต้องดูรายละเอียดล่ะรายละเอียดล่ะแต่ว่าข้อยุติที่ง่ายๆว่าก่อนดับเนี่ยอาสันนกรรมจะเป็นตัวสําคัญที่สุดครับอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะดับจิตคือเทียบง่ายๆว่าคล้ายๆอาจารย์ขับรถไปไหนขับๆๆเกิดเปลือกแพเดี้ยวเลี้ยวผิดคใช่ไหมทั้งๆไใทํานานทางอครัเกิดเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดก็ผิด่ะ อที่ไประยะหนึ่งแหละขอบคุณครับสายที่สิบสองครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมฮัลโหลเจอนัสอบถามได้เลยครับค่ะคือช่วงเนี้ยนะคะเจินผ่านไปทางแถวไหนอะเออธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะครับผมก็จะมีวางคระอย่างเงี้ยนะคะตามตรงนี้ ที่ที่มีการาใช้ใครซื้อขายอย่างนี้ค่ะอ๋อครับครั บ, รบานตอนนี้ก็เลยอยากจะคือจะถามว่าจะมีใครที่แบบว่าจะช่วยลักษณะว่า ไม่มันเกิดอย่างเนี้ยค่ะคือเห็นภาพแล้วไม่สบายใจใช่ไหมครับค่ะเพราะเราต้องเดินเดินบนพื้นอ่งนี้นะคะแล้วเราเป็นผู้หญิงอย่างนี้ยค่ะผมก็โปร่งแล้วก็เหมือนจะต้องแบบไปข้ามไปเอียดย่ามอย่างนี้ค่ะครับผมตอนนี้ดูชาวพุทธเนี่ยเราเป็นฝ่ายที่ทําเองแล้วอย่างนี้ชาวสังฆาตอย่างนี้เขาก็เลยจะไม่ไม่กดท้าด้วยอย่างนี้ยค่ะได้ครับครับแล้วฝังทางวิทยุนะครับใช่คขอบคุณมากครับ ใเนี้ยก็เคยตั้งข้อสังเกตนะอาจารย์ว่าพวกหากินกับศาสนาในสูตรมากทำชั่วเยอะอันนี้คือขายพระเครื่องขายพระเครื่องจะไปวางอยู่ที่พื้นอย่างบริเวณใกล้วัดมหาธาตุเยอะเลยนะครับอาจารย์ท่านมาก็เคยเตือนเขาหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยบอกเจ้าหน้าที่ครานึก็ย้ายไปหมวดทีย้ายไปที่วัดราชนารับตอนนี้ก็เริ่มกลับไปอีกแล้วเริ่มกลับมาอีกแล้วใช่คือคือพระเองเนี่ยบางทีก็ไปนั่งส่องกับเขา แล้วก็สมภาใรใกล้วัดนั้นก็ไม่ออกมาดูมาแล้แลวก็ทมอเองคือพระนี่ไม่มีสิทธิ์ไปไปไปสั่งเขาใช่ไหมแต่กทมอเทศกิจอะไรแต่ไรแต่ไล่จับแม่ค้าได้แต่ไล่จับคนที่ขายพระไม่ได้เพราะว่าคนคนเหล่านี้มันมันไม่ได้มีความรู้สึกสํานึกรับผิดชอบ แม้แต่พระตามเสาจิงชาอาจารย์หลวหนูพุทธรูปปรับปานงใหญ่ๆน่วางไว้ริมถนนใช่ครับจ้้แล้วก็แถวที่เราไปทางทางแถวปทุมนะฮะแต่มาเคยขอร้องผู้ว่าปทุมสมัยนั้นคุณอะไรอะวิอ่ไพูรย์ิยวัติไอไออะไรวัดไมัลืมลืมแล้วบอกให้ช่วยจัดการหน่อยแกก็ไปบอกแต่เขาก็ไม่ทำ ไอ้ น, นี่คือคือปัญหาที่ที่โยมพูดนั้นถูกต้องที่สุดแต่เราไม่รู้ทํำยังไงเพราะว่าคนที่รับผิดชอบต่อบ้านเมืองเนี่ยคือบางทีเราก็สงสัยว่าเขาทางานกันหรือเปล่าครับคองรังสีเนี่ปล่อยใหปลูกบ้านลุกล้าไปถึงครึ่งครองรมันอยู่กันยังไงยังเรื่าเล่าสงสัยเยอะเนี่ยครับไอ้ น, นี่คือคือเป็นปัญหาที่คาแผ่นดินที่แก้ไขา ย, ยากครับ เราก็รู้สึกไม่สบายใจทุกทีแหละแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรเขาว่าถ้าเขาด่าเอาก็ก็ไม่รู้จะว่าไงเหมือนกันพูดยากอฮะเรื่องเรื่องนี้พูดยากกระับผมสายต่อไปครับสายที่สิบสามครับสวัสดีครับรายการครับครับสรรจันร์หลงพ่อท่านเจ้าคุณพรผมผมอยากสอบถามหาเรื่องของ 巴拉ชิกแล้วก็สังฆาทิเขษแล้วก็ปาจิตตีเมื่อเป็นพระพิกสุ์เนี่ยถ้าทําจุดถิ่นสามอย่างเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะไปตังเกิดเป็นอะไรได้รับผลทำยังไงครับผมของทางไตรจารนะครับครับผมขอบคุณมากครับคับสวัสดีครับคือพระาราชิกก็ก็ตกนรกกันนะตกนรกเลยครับแต่สังฆาทิเศษเนี่ยมันแก้ไขได้นะครับปาจิตดีก็แก้ไขได้ครับผมก็ ฝังคข้ติดเดกก็อยู่กรรมไปก็จบการแล้วก็ปฏิตรีก็ไปสแสดงอบัติก็จบตามเงื่อนไข ข, ของของวินัยนะฮะทีนี้ถ้าศึกมันก็อีกเรื่องนึงนะถ้าศึกก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านไปทำความดีอะไรไว้แล้วก่อนจะดับจิตท่านเป็นยังไงเนี่ยเราก็พูดยากเพราะฉะนจะเกณฑ์ที่ตกนรกแน่เนี่ยก็คือเฉพาะประราชิกปรราชิกอืม แต่ว่าถ้าถ้าท่านสึกจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะสึกจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าท่านไปปฏิบัติ ด, ดีประเดีวชอบอะไรขึ้นมาก็ทาได้มันเป็นปราชิกสมัครพระนะครับครับผมขอบคุณครับทีคกก่คุแจงกราฟสายที่สิบสี่ครับสวัสดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับครับกราฟนักการเกษตรทุนท่านครับแสดงความเคารพกราฟดกษตการและผู้ผู้ผู้ผู้ผร้ผู้ผ้ผู้ผครับ้ผู้ผู้ผู้ อยากยื่นสอบถามเกี่ยวกับอหนังสือเป็นนะครับผมไม่ราบว่าทศนิยมเขาจะมีแมวอย่างอย่างของท่านทุกธาตที่ท่านใด้โดยกาแฟเอาไว้เกี่ยวกับเพนนะครับครับไม่ทราบว่าเขาจะหาอ่านกันใช้ได้ที่ไหนบ้างอะครับ<อ>นสนใจเรืเ่องเซนนะครับ สใจนะครับผมหมายถึงาอ่าแล้วจิตใจมันสว่างเรียครับครับผมไม่ทราบพอจะมีมี<อ>มีมีานที่ที่ไหนบ้างะครับสามสารับฟังทางวิเชียุนะครั บ, บขอ บ, บคุณครับครับผมสวัสดีครับคาดใจว่าพรุ่งนี้ไปคงซื้อที่แถวร้านนายอินพวกเนี้ยนะฮะครับมันจะมีหนังสือเรื่องเซนเยอะเวนี่แปลขึ้นเยอะนายสันติอะไรแต่ไรแปลเอาไว้เยอะครับก็ก็หาได้เยอะนะฮะเพราะพวกญี่ปุ่นเองก็ออกมาแปลอะไรกันครับก็ลองไปหาดูกันแล้วกันมาเอง ก็เคยอ่านแต่ ว, ว่าสนใจน้อยนะสนใจได้เ <Okay. S 2> พราะว่าเราเราก็ค่อนข้างจับผิดได้ก็ <laughs> เลยอ่านแล้วก็ไม่ก็เห็นมีสาระอะไร <Okay. S 2> มันเป็นสัมบัติสมบวูรว์โวหารเฉยๆครับท่อาจารย์ครับนักศึกษาฝากมาถามว่าจะเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกเลยครับ ถามว่าควรจะเริ่มศึกษาเบื้องต้นจากไหนก่อนกับพระนักศึกษาหลายคนอยจะอ่านหนังสือครับท่านภิกษุครับร <c oughs> คือคือที่จริงถ้าจะเริ่มศึกษาเริ่มศึกษาเริ่มศึกษา ม, มันควรจะไปจับที่เล่มที่ยี่สิบห้าก่อนเล่มที่ย <c oughs> <25 S 1> ี่สิบห้ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนะไปไปไปเรื่อยไปยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะแล้วก็ไปโน่นไปเถระคาถาเทรีกาถาอุปตวงวงยริยาบิดกอยู่เครือตรงเนี้ยนะเครือเครือใกล้ใกกันตรงเนี้ย มันจะ ง, ง่ายจะ ง, ง่า ย, งงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือถ้าทำความเข้าใจกับข้อความในเล่นที่ยี่สิบห้าได้เนี่ยนะครับ อ, อย่างอื่นจะไม่ยากนะครับผมนี่พ่ันครับผมที่ผจักลครับรล้อีกอย่างหนึ่งครั บ, รบมีคนถามก็ถามว่าสมมุติเราซื้อหนังสือพระเตยดกเนี่ยาวายพระเนี่ย เราก็ได้กุศลอย่างหนึง่งหรือว่าถ้าเราซื้อหนังสือพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็ให้คนทั่วๆไปอ่านให้นักศึกษาอ่านให้ชาวบ้านอ่านเนี่ยจะได้บุญกุศลพอๆกับที่จะถวายวันนี้เป็นไครับก็มันก็เป็นธรรมทานด้วยกันเป็นธรรมทานด้วยกั น, นเป็นธรรมทานด้วยกัน<ช>คือว่าตัวผลที่ต่อไปเนี่ยว่าถาวายใครก็ไม่รู้ ว, ว่าท่านได้อ่านหรือเปล่าท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติท่านได้เผยแผ่หรือเปล่ามันก็ขยายบุญออกไปอ ทีนี้แม้ถวายพระบางทีท่านก็ใส่ตู้ติดกุญแจล็อกไว้เลยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอ่า <c oughs> <c oughs> มั น, ม, นมันไม่ได้เกี่ยวกับพระร ะ, ะโยมนะฮะเอาไปแบบว่าไปศึกษาหรือเปล่าค <c oughs> ใช่ <c oughs> มันเอาไปใช้สอยประโยชน์หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าหนังสือที่อยู่ในตู้เนี่ยมีก็เหมือนกับไม่มีคือเขาพูดไปสามอย่างครับ <c oughs> สามีปัญญาที่ไม่อยู่บ้านทรัพย์สมบัติที่อยู่ในกระเป๋าคนอื่นหนังสือที่อยู่ในตู้เนี่ยมีก็เหมือนกับไม่มี เขาน่าสนใจเลยก็จะสนใจครับการบอกครับสายที่สิบหกครับสวัสดีครับเป็นอะไรครับครับมีวิช่วถามหลวงพ่อหน่อยครับครับเจริย์ครับเรี่ยกว่าว่ายังหลวงตามาหาบัวกับนายทองก้อนนะครับจับท่านก็ธรรมดาท่านก็เป็นสิทธิการจันที่พัวพันผูกพันกรรมานานะครับแล้วก็ข่าวก็ก็ว่า ยังไงครับครับกว่าหงาหมาบัวท่านอขอญาต์นิดนึงนะครับพอดีบุคคลที่สามพอดีเราไม่อยากจะล่วงลําอะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอเจ้าุอาจารย์เล่าใหฟังนิดนึงแล้วกันนะครับคขอบคุณมากครับอก็ไม่ค่อยได้ติดตามอะไรนะฮะคือข่าวว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ระเบียบ นะฮมันไม่ได้ถึงกับไล่เลยอะไรอ่ะแต่ใกล้ๆกับปลดจากตําแหน่งตรงนั้นเพราะว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวอะไรตัวไรเขาใช่ครับคือคือรายละเอียดนี้เราเรายังไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ได้โกรธแค้นอะไรหรอกไนได้เรื่องโกรธแค้นอะไรครับผมครับก็คุณครับทุกคนจากข้อสายที่16ครับสวัสดีครับขอทราบปัญหากับ้งสองขได้ครับคไยไปอยู่ไายแดนด์ไปบ้านยากุคุยเรื่อง เราไอ้พอบนเขานะ่ยมีงูใหญ่หญงูพญานาคหัวพญานาคก็เสียงก็เขานะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เสียงก็เขาพอลงจากบ้านเขานะประมาณสักสามทุ่มปรากเราเห็นงูขวางหางแล้วมองครับเดี๋ยวงูหายไปอ่ะรับเป็นข้อเหตุใจอีกข้อนึ่งไปถนนอ่าถนนสมมติอ่า ถ, ถ, ถ, ถ, ถนนตรงๆเลยนะไม่มีทางโค้งไม่มีป่าไม้อะบางสักอย่างบตรงนนะั้นมันมีรถชนกันตลอดเวลาบ เกือบทุกวันอะครับมันเป็นอะไรทั้ทงส่วนกันแล้วทำไมตรงตรงนั้นต้องมีคล้ายๆายก็มีเงาอะไรเดินให้วุ่นวายไปหมดแหละครับผมอาจนอบเนี่นยแต่นนะคะุณม่เลยครับคือพระยานาคเนี่ยฮะก็ที่จริงก็เป็นอมนุษย์กึ่งเทพนะฮะครับหมายความว่าทุกวันเขาก็มีทุกวันเขาก็มีอย่างที่จังหวัดพะยาวท่านอาจารย์ไผ่บูรณวัดป่านาละโยเนี่ยครับ มันก็ตอนขึ้นไปสร้างวัดก็ต่อสู้สู้กับพญานาคเยอะแล้วก็พญานาคก็มากลายเป็นมิตรก็มันช่วยสร้างวัดก็เหมือนกับวิมานไปเลยก็ <c oughs> ท่านก็เป็นอมนุษย์ขึงเทพนะเราะฉะนั้นก็การพบ ก, ก็เป็นเรื่องธรรมดาอาจจะเป็นบริวารของเขาหรืออาจจะปรากฏตัวให้เห็น แล้วก็อะไรนะถนนตรงๆในบรคือคือในกรณีเหล่านี้นะคือคนที่มันตายโดยอุบัติเหตุเดี๋ยวบางทีก็ตายปั๊บแกเกิดปุ๊บแล้วแกก็ไปยึดติดอยู่ตรงนั้นไปยึดติดอยู่ตรงนั้นครับก็เรียกว่าไปสิงสู่อยู่ตรงนั้นโดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้และคือว่าแกแกไม่ได้คล้ายๆกับอุบัติเหตุอ่ะอุบัติเหตุแล้วแกก็ตายอยู่ที่นั่นเพราะนั้นคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้ทางที่ดีก็ควรจะไป ทำบุญอุทิศกุศลต่างๆให้เขาครับประเสนีย์จังไรรังควานอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันมันมันอามาเคยไปทำให้สองแห่งนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ที่ศาลแห่งก็ผูกก็ตายก็ยิงก็ยิงตัวตายครับเขาก็มาขอให้ช่วยอามาก็ไปนั่งอธิษฐานใจครับแล้วก็หายไปครับผมคนคนก็ถูกหลอกอยู่เรื่อยครับ แล้วก็บอกใครไปช่วยเราก็ไปไม่ได้ว่าอะไรแล้วเราไปก็นั่งสวดสวดบูญนั่งอธิษฐานใจรก็ให้รับส่วนกุศลแล้วไปเกิดครับตามสมควรแก่ฐานะและการครับขอบคุณครับที่คนใจครับสายที่สิบเจ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับสอบถามเนื่ออาจารย์อาจารย์ปฏิบัติกายานุปัสสนาบทุกประกาน เวทนาลุกขศนาสติปัฏฐานแค่นี้พอเของใจขอธรรมาริวายจิตานุปัสานาสติปัฏฐานกับธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับคือจิตเนี่ยดูพวกเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิตในแต่ละขณะครับว่าเป็นกุศลหรืออกุศลก็จะจะจะดูเฉพาะสองอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองไว้ให้อยู่ได้นาน แต่เป็นอกุศลก็จะห้ามจิตกั้นจิตข่มจิตแล้วก็เพื่อจะให้อกุศล น, นั้นมันเสื่อมไปก็ก็ดูกันอย่างเงี้ยแก้กันอย่ชางเงี้ยแก้กันใช้สติเป็นตัวระลึกดูดูจิตตัวเองว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีราคะเกิดขึ้นก็ให้รู้ไม่ไม่มีราคะก็ให้รู้มีโทสะก็ให้รู้ไม่มีโทสะก็ให้รู้ทีนี้ธรรมะเนี่ยมันเอามาหมดเลยมากกว่า ท, ทุกทุกษัตริย์ก็มีน ะ, ะสมุทัยษัตร์ก็มีนโรธษัตริย์ก็มีมรรคษัตริย์ก็มีจะอยู่หมด เพียงแต่ว่าให้ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นเช่นสมมุติว่าขันห้าอย่างเงี้ยเราก็ดูรูปเหตุเกิดของรูปความดับของรูปก็ดูการตัวรูปการเกิดการดับดูสาอย่างสามช่วงนะแล้วก็จะในที่สุดเมื่อเห็นรูปเราจะเห็นเวทนาตัญญาังขันญาณลักษณะนนเดียวกันแล้วจะบรรเทาโพูดตรรกมานาทิฏฐิลงไปเ น, น, นี่ยบางทีก็เช่นเชร่มวดนิวรณ์เนี่ยก็ดูแล้วก็มองให้เห็นโทษแล้วก็พยายามลดละ รู้หมวดของผู้ชงอย่างเนี้มันก็ดูแล้วก็พยายามประครับประคองไว้แล้วก็ให้เพิ่มภูนต่อไปหรือหมวดของอายตนะก็ดูว่าเวินาสัมผัสอารมณ์เนี่ยสังโยคข้าใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วก็ถ้าเห็นเกิดก็ต้องพยายามลดเหมือนกันนะฮะก็สรุปว่าถ้าเป็นกุศลก็จเจริญถ้าเป็นอกุศลก็ละถ้าเป็นสภาวธรรมก็กําหนดรู้ก็ได้นั้น ก็ในธรรมานุปัตรวมไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะคือคือเป็นอริยสัจสี่นั่ น, นก็รวมไว้ทั้งหมดครับขอบคุณครับที่คุณแจ้งครับสายที่สิบปดครับสวัสดีครับ ฮลโหลถ้าการมาาที่ปอว่าแล้วก็ท่านผู้บุตรดำเนินรายการด้วยนะครับครัี่นี้ขออากาศเพียนถามท่านนิดึงว่าผมทรานะว่าขันติท่าแบบสองอย่างแบบหน่ของผ้ปอบวิบูที่ตรวจเป็นเมนทัินนะครับและขนิท่านอีกอย่างคือของท่าน้าที่ตรวจเป็นเหมือนั้งสุที่ระเดินไปข้างหน้าใช่ไหเคคือเดนไปเพื่อทสิ่งที่ถูกต้องอย่งงานทีนี้เนี่ยขอขอพระฤๅษช่วยอธิบายขันจิแบบของท่าู้เาให้ฟัง พอประมาณแล้วก็จะถามว่าผู้ชนถ้ามีเดชนาที่ดีด็จะทาให้ชีวิตอสังคมดีขึ้นเนี่ยมีผู้ที่จะเรียบร้อยตามเอ่อพราะทุกๆปฏิปทาด้านนี้นะครับออการและมาสรการขอบพระคุณแลโดยทุกคนอีกรอบหนึวว่งนะครับและท่านผู้ดาเนินรายการด้วยนะครับครับสวัสดีครับ คือของพระพุทธเจ้ากับพระสาสีบุตรอ่ะขันติที่เป็นมีอยู่โดยปกติแล้วไม่ไม่อ่อนไหวแล้วะเ ป, บบเป็นขันติแบบไอเป็นขันติแบบภูเขาทนตลมอ่ะอคือไม่บันไหวแล้วครับขันติเราต้องมีทุกคนนั่นแหละความวิปริตี แต่ปลุน์ว่าธรรมชาติเราต้องอดทนความเหนื่อยยากในภารกิจการงานเราต้องอดทนทุกเวทนาเราต้องอดทนอารมณ์ที่มากระตุ้นจิตให้เกิดราคะให้เกิดโลภะให้เกิดโทสะเราต้องอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่าอ่อนไหวไปกับราคะโลภะโทสะโมหะเวลานี้ที่เรามีปัญหามากใ น, นเราอ่อนไหวเพราะสามอย่างนี้ <Yeah. S 1> เพราะอะไรเพราะเรามีโมหะอยู่เยอะอันนี้ก็สรุปว่าเราต้องอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นยั่วยุ ยั่วยุเราก็ไม่โกรธตอบยั่วยวนเราก็ไม่ไข่ไม่โลภนะมอเมาเราก็ไม่หลงตามไปนะระวังใจตัวตัวเองวันนี้ในการสิยงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิริมตุมขอข อ, อภัยหลายลๆสายนะครับสายแน่นมากนะครับวันนี้ตอบคำถามได้ถึงทั้งหมดสิบเจดสายเลยนะครับก็ขออภัยหลายลสายที่ไม่สามารถโทรมาติดนะครับขอความเจริญในธรรมมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านครับขอบกลับสวัสดีครับ